มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวัคอนุมานปัญหาที่แปดเรื่องจัดธรรมเปรียบด้วยชาวเมืองในธรรมนครมหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งพระหูชนาอันว่คคนทั้งหลายมากมายนักหนาว่าสันติย่อมอยู่สนุกสบายในธรรมะนครสโมโสรธรรมะกัติกาคือพระธรรมกถึกวินนยทาราคือท่านผู้ทรงพระวินัยสุตตันติกาคือท่านผู้ทรงพระสูตรอภิธรร ม, มิกาคือท่านผู้ทรงพระอภิธรรมและท่านผู้กล่าวซึ่งพุทธวจนะอันมีองค้า คือสุตตะและเขยยะและเวยากรณะและคาถาและอุทานะและอิติอุตกะและชาตกะและอัภูตรธรรมะและเวทละและภิกษุทั้งหลายทั้งทรงซึ่งชาดกทรงซึ่งทีฆะนิกายทรงซึ่งมัชชิมะนิกายทรงซึ่งสังยุตตะนิกายทรงซึ่งอังคุตระนิกายทรงซึ่งขุถะนิกาย และพระภิกษุทั้งหลายอันประกอบด้วยศีลและสมถะและภิกษุที่เป็นเวไนคือควรจะเป็นสาวกและภิกษุที่รู้วิันและภิกษุทั้งหลายอันเจริญในพชทชงคภภาวนาและอนุสติและพระภิกษุอันเรียนซึ่งวิปัสสนาและพระภิกษุทั้งหลายอันถือโสสานิกะทุดงและถือบางสุกุลและถือยถาสันติกะทุดง และถืออภโกาสิกะทุดงอรัญยิกะทุดงรุขมูลิกะทุดงและถือเนสัชิกะทุดงและพระภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ในผลและพระภิกษุเป็นเสขะภะสมังคีและพระภิกษุผู้ได้พระโสดาและพระภิกษุผู้ได้พระสกิทาคาพระภิกษุผู้ได้พระอนาคาพระภิกษุผู้ได้อรหัสและพระภิกษุผู้ได้ไตรวิชา พระภิกษุได้อภิญญาหพระภิกษุมีฤทธิ์พระภิกษุมีปัญญาบารมีอันบริบูรณ์และพระภิกษุจำเริญพระสติปฐานสี่และพระภิกษุจำเริญพระสมบัติฐานสี่และพระภิกษุจำเริญอิทธิบาทสี่พระภิกษุจำเริญอินรี่ห้าพระภิกษุจำเริญพระห้าพระภิกษุจริญโพชฌงเจพระภิกษุจริญอัฏฐานกิกรรมักแ พระภิกษุจำเริญฌานพระภิกษุมีความสําคัญมั่นหมายในรูปและใช่รูปหลุดพ้นแล้วและพระภิกษุมีธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขพระภิกษุได้สุญญาตธรรมพระภิกษุได้อานิมิตธรรมพระภิกษุได้อัปปนิหิตธรรมและพระภิกษุได้อเนญชอุเบขาพละสมาบัติย่อมอยู่ในธรรมะนครนั้นณละวณะสระวนัง อันว่าป่าไม้อ้อและป่าสนอันสล่างไปด้วยต้นอ้อและต้นสนต่างๆนานาป่าทั้งสองนี้อาเกียนอากูลแออัดมั่วมูลซับซ้อนกันไปยะถาม่อุปมาฉันใดธรรมนครนี้ก็แออัดไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายมิอุปมาดังป่าอ้อป่าสนนั้นขอถวายพระพรในที่นี้ พระครันธะราจนาจารย์ประพันธ์คาถาพัฒนาความข้างต้นนั้นไว้ในใจความว่าท่านทั้งหลายที่เป็นวีตาราคะและท่านทั้งหลายที่เป็นวีตโทสะและ ท, ลทและท่านทั้งหลายที่เป็นวีตโมหะและท่านทั้งหลายที่เป็นวีตตันหาและท่านที่หาอุปาทานไม่ได้นั้นว่าสันติย่อมอยู่ธรรมนคเรในธรรมนครและภิกษุทั้งหลายอันได้ซึ่งวิมุตติญาณ พระภิกษุทั้งหลายถืออารัญญิกะพระภิกษุถือเนสัชิกะพระภิกษุถือโสสานิกะพระภิกษุถือจงกรมถือบังสุกุลจีวรถือติจีวริกะถือธรรมขันเป็นคำรบสี่และพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้ธรรมเป็นอย่างเอกนั้นว่าสันติย่อมอยู่ธรรมะนครเรในธรรมะนครและพระภิกษุทั้งหลายเป็นอปิชา และพระภิกษุทั้งหลายเป็นทุตังคะสมาจารและพระภิกษุเป็นสันลหูกะวุตติและพระภิกษุสันโดษในลาบวสันติย่อมอยู่ธรรมนคกเรในธรรมนักรประการหนึ่งท่านทั้งหลายชายีอันไดชน้ชาญชาณรตายินดีในชาญเทรามีปัญญาสันตะจิตามีจิตระงับบา สมาหิตามีจิตตั้งมั่นเป็นอันดีอากินจัญญปัตทยมานาประธนาจะเข้าสู่อากินจัญยายตนะสมาบัตบรรดาภิกษุทั้งหลายอันมีฤทธิ์และหาฤทธิ์ไม่ได้นั้นวสันติย่อมอยู่ธรรมะนัครในธรรมะนครประการหนึ่งพระภิกษุปฏิบัติเพื่อผลพระภิกษุเป็นเสขะพระสมังคี และพระภิกษุผู้หวังประโยชน์อันอุดมว่สันติย่อมอยู่ธรรมนคเรในธรรมนครพระภิกษุเป็นพระโสดาบันอันปราศจากมนทินโทษและเป็นพระสกิทาคามีและเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันว่สันติย่อมอยู่ธรรมนคเรในธรรมนครพระภิกษุผู้ฉลาดในพระสติปัฏฐาน และพระภิกษุผู้ยินดีในพชทชงคภภาวนาและพระภิกษุผู้เจริญวิปัสนาพระภิกษุทั้งหลายทั้งหมดว่าสันติย่อมอยู่ธรรมะนคารในธรรมะนครพระภิกษุผู้ฉลาดในอิทธิบาทและพระภิกษุผู้ยินดีในสมาธิภาวนาและพระภิกษุผู้ปร ะ, ระกอบในสัมมปทานวะสันติย有有่อมอยู่ธรรมะนคารในธรรมะนคร พระภิกษุผู้บรรลุอภินยาบารมีและพระภิกษุผู้ประกอบด้วยปีติและภิกษุผู้เที่ยวไปในอากาศอันแจ้งว่าสันติย่อมอยู่ธรรมนคเรในธรรมนครพระภิกษุผู้มีตาทอดลงผู้พูดพอประมาณผู้ระวังรักษาสำรมทวารด้วยดีผู้มีธรรมอันอุดมฝึกดีแล้วผู้ได้วิชาสามได้อภินยาหก ผู้มีฤทธิ์บารมีผู้มีปัญญาบารมีว่าสันติย่อมอยู่ธรรมนักเรในธรรมนครพระคันธารัจนาจารย์ประพันคาถาไว้มีใจความดังนี้เรื่องจัดธรรมเปรียบด้วยข้าราชการในธรรมนครในลำดับนั้นพระนาค เ, เสนเถระจึงถวายวิสัชนาต่อไปว่ามหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันเลิศจะนับมิได้และพระภิกษุผู้หาทมเครื่องค้องมิได้ไม่เอ็นเอียงเป็นเที่ยงธรรมและภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งคุณยศพระภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งคุณสิริทรงไว้ซึ่งกําลังทรงไว้ซึ่งความคิดอันรวดเร็วทรงไว้ซึ่งฤทธิ์ทรงไวซ้ไว ซ, ไวซึ่งรัศมี ทรงไว้ซึ่งอธิบายทรงไว้ซึ่งวิมุตติทรงไว้ซึ่งธรรมจักและพระภิกษุสำรวมซึ่งปัญญาบารมีภิกษุเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาบดีอยู่ในธรรมนครของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าภิกษุผู้เป็นพุทธบุตร สำเร็จซึ่งที่สุดแห่งฤทธิ์และที่ได้ซึ่งปฏิสัมพิทาสีมีจตุเวสารชคุณประกอบด้วยอภินิหารมีอธิฐธธานนริตอันไม่กำเริบอาจเหาะไปจับต้องพระจันทร์พระอาทิตย์อาจไปในสาคอนและชำรกดินไปได้ด้วยฤทธิ์จัดเป็นปุโรหิตสถิตอยู่ในธรรมนครนั้นประการหนึ่ง พระภิกษุอันถือธุดงปฏิบัติมากน้อยสันโดษเกลียดซึ่งวิญญัตและอนเนสนะและถือบินทบาทเป็นประธานจาริกรักษาอินทรีย์มิได้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะมิกิริยาเหมือนมแมลงผู้เคร้าคลึงแต่เกสรดอกไม้มิได้ปรารถนาให้ทายกสิ้นเปลืองและท่านที่ปฏิบัติมิได้เอื้อเฟื้อแก่ร่างกายและชีวิต และท่านทั้งหลายได้พระอระหันต์มิได้เอื้อเฟือด้วยลาบสการะทั้งหลายอันมิได้รู้อิม่มรู้เบื่อในทุดงขะปิบัติจัดเป็นอัคคทัสสาเป็นลูกขุนสาาและขุนสารและผู้ว่ากล่าวผู้น้อยผู้ใหญ่อยู่ในธรรมนครประการหนึ่งจัดสรรพระภิกษุทั้งหลายอันบริสุทธิ์จากมนทินกิเลสประกอบไปด้วยฌานมริตอันจะไปสู่ที่อันไกล และสู่ที่อันกว้างก็ดีก็รวดเร็วด้วยฌานมริตทรงไว้ซึ่งสมถะและมักเป็นทิพยยะจกักขุให้เป็นผู้นั่งยามตามไฟตรวตราไปในธรรมนครประการหนึ่งจัดสรรภิกษุทั้งหลายพหุสุตาเป็นพหุสูตรทรงไตรปิฎกอาคตาคมาทรงไว้ซึ่งประชุมนิกายธรรมธราทรงไว้ซึ่งพระธรรม วิเนยธราสรงไว้ซึ่งพระวินัยมาติกาทราสรงไว้ซึ่งมาติกาและพระภิกษุทั้งหลายอัญชลาดในอักขระน้อยใหญ่ซึ่งเป็นทีฆะเป็นมรัสสะเป็นสิถินเป็นธนิตและสรงไว้ซึ่งนวังคษสัตตุศาสนาให้เป็นธรรมรักขาผู้รักษาธรรมในธรรมนครประการหนึ่งพระภิกษุทั้งหลาย เป็นวินยันอยู่รู้พระวินัยวิเนยะโกวิทาฉลาดในพระวินัยฉลาดในพระสูตรและพระภิกษุผู้รู้ว่ากระทําสิ่งนี้เป็นอาบัติสิ่งนี้หาอาบัตไม่ได้สิ่งนี้เป็นคารุกาบัตสิ่งนี้เป็นลหุกาบัตและรู้ว่าควรจะเยียวยาได้และเยียวยามิได้และฉลาดในพฤติอาเทศลบ ลงอาคมขณะเมื่อจะสวดเปลี่ยนจัดเป็นรูปทักขาคือเป็นคนไทยลักษณะในธรรมนครเรื่องจะทําเปรียบด้วยชาวร้านตลาดขายของในธรรมนครประการหนึ่งจัดพระภิกษุทั้งหลายอันทรงซึ่งวิมุตติวรกุสุมะมาลพันธากล่าวคือทัดทรงซึ่งดอกไม้อันงามสะอาด กล่าวคือพระอรหัตตผลอันประเสริฐส่งไว้ซึ่งศีลอันยิ่งอันล้ำเลิศเป็นที่พึ่งแห่งบุคคลทั้งหลายตั้งไว้เป็นปุบผาปะนิกาคือชาวบ้านขายดอกไม้ในธรรมนครของสมเด็จพระบรมศาสดาประการหนึ่งพระภิกษุที่เป็นจตุสัจจาพิสมัยปฏิบัติเพื่อจะรู้พระอริยสัจสี่ปฏิบัติตามเห็นตาม ได้สดับในพระสามัญญาผลทั้งสี่อันประเสริฐได้ซึ่งทำอันตัดเสียซึ่งสงสัยในพุทโววาดขาดอาสวะเป็นที่จำเริญผลแก่สุชนทายกทั้งหลายอันจะทำบุญให้ทานจัดเป็นพลาปนิกาคือชาวร้านขายผลไม้ในธรรมนครประการหนึ่งจัดเอาพระภิกษุทั้งหลาย อันทรงซึ่งของหอมรูปไล่ภายนอกภายในกล่าวคือทรงไว้ซึ่งกลิ่นศีลทรงไว้ซึ่งคุณศีลอันมากกำจัดกลิ่นอันร้ายคือกิเลสมิได้มีจัดเอาพระภิกษุจาพวกนี้เป็นคันทาปนิกาคือชาวร้านขายของหอมในธรรมนครประการหนึ่งจัดเอาภิกษุทั้งหลายอันปรารถนาธรรม มีแต่จะปรีดาปราโมทในพระธรรมและพระวินัยและพระภิกษุทั้งหลายอรัญญะคตาผู้อยู่ในไพรสนประเทศราวป่ารุขขามูะคตาผู้อยู่ในที่โขนไม้และพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเอกาสนิกาถือเอกาสนิกะทุดงและเป็นคะคณะคาตาอยู่อภโกาดและเป็นสุญญะคาระคาตาอยู่ในที่อยู่อันสงัด และผู้ที่ดื่มกินรสคือคุณธรรมอันเลิศปฏิบัติตามธรรมอันน้อยใหญ่และกายวาจาและจิตและเป็นอับปิชะกะถากล่าวชมแต่ทางมากน้อยสันตุทิกระถากล่าวชมแต่สันโดษปวิเวกะกระถากล่าวชมแต่ที่ราวป่าอันสงัดเงียบอาสังสัก ข, ขะกระถากล่าวเปรียบที่จะไม่ได้ละคนปนอยู่ในหมู่ในคณะ วิริยารำพักาถากล่าวชมชื่นซึ่งความอุตสาหะมีเพียรศีลกถากล่าวชมผลศีลสมาธิกถากล่าวสรรเสริญพระสมาธิปัญญากถากล่าวสรรเสริญชมชื่นคุณปัญญาวิมุตติกถากล่าวสรรเสริญพระอรหัตตมักวิมุตติยาทัทสนกถากล่าวสรรเสริญพระอรหัตตผลญาณ พระภิกษุทั้งหลายกล่าวคำดังนี้ได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งคะถาอันกล่าวสรรเสริญต่างๆนี่จัดเป็นธรรมโสนดานักเลงธรรมและเป็นปิปาสาโสดานักเลงดื่มกินซึ่งของควรจะดื่มกินในธรรมนครของสมเด็จพระสัพพัน ญ, ญุบรมศาสสดาประการหนึ่งจัดพระภิกษุทั้งหลาย อันมีอิริยาบทนั่งและยืนและเดินจงกรมในราตรีปฐมยามมัชชิมยามปัตชิมยามและสแสวงหาซึ่งประโยชน์แห่งตนในความเป็นผู้ตื่นอยู่กิเลสะปฏิภาหนายะเพื่อจะห้ามเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพระภิกษุจำพวกนี้จัดเป็นนขรารักขาคือคนรักษาพระนคร ในธรรมนครของสมเด็จพระสัพพันยเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประการหนึ่งจัดเอาพระภิกษุทั้งหลายอันสอนธรรมและสังวัทยายเล่าเรียนซึ่งพระพุทธวจนะโดยอัดโดยในโดยพยัญชนะโดยเหตุโดยผลโดยอุทาห น, น้อยใหญ่เป็นชาวร้านทำรรอันประเสรศิฐในธรรมนครของสมเด็จพระศาสดาจารย์ประการหนึ่ง จัดเอาพระภิกษุทั้งหลายอันนับว่ามีทรัพย์ด้วยบริโภคซึ่งธรรมรัตนะและบริโภคซึ่งพระไตรปิฎกคือนิกายพระปริตและพระสูตรอันรู้ลักษณะแห่งสละและบัญชนะเป็นธรรมเสถีในธรรมนครของสมเด็จพระาศาสดาจารย์ประการหนึ่งจัดเอาพระภิกษุอันทรงบารมีคุณรู้ซึ่งธรรมเทศนา อันโอลานของสมเด็จพระศาสดาจารย์และผู้สั่งสมปฏิเวทธรรมเป็นอารมณ์และศึกษาจำแนกแจกนิเทศเป็นคนรู้อิสระธรรมคือเป็นอาลักษณ์และราชบัณฑิตสถิตยอยู่ในธรรมนครขอถวายพระพรตั้งนครังอันวัธรรมนาครนั้นประกอบด้วยพิทัก์รักษาเป็นมั่นคงบหนมีค่าศึกกระทาอันตราย เป็นสุขสบายกเกษมสารสมเด็จพระสัพพัญญูประดิษฐานไว้แล้วเสด็จเข้าสู่สิวาลายัยคือนิพพานล่วงไปแต่ธรรมนครอันใหญ่ของพระพุทธองค์ยังดำรงปรากฏอยู่อาตมาก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าโสภควาสมเด็จพระผู้ทรงเสริสวัสดิภาคอันยิ่งได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูจริงในโลกนี้ ขอถวายพระพรในที่นี้ท่านผู้รจนาคำพีผู้คาถาแสดงความข้างต้นไว้มีใจความว่านักรวัฒกีนายช่างที่สร้างซึ่งโลกิยะนครไว้สร้างแล้วไปสู่ประเทศตามผาสุขสบายใจครั้นสิ้นอายุแล้วก็กระทำกาลกิริยาตายคนทั้งหลายบอกเล่ากันต่อๆกันมาว่า นาคอนโลกีนี้ในช่างที่ตายสร้างไว้ยะถามีคารุวนาชันใดก็ดีอันว่า ร, รมนาคอนนี้ก็เหมือนกันสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าทรงประดิษฐานไว้เพื่อจะให้ถาวรตั้งมั่นทวนห้าพันพรรษาถึงว่าสมเด็จพระบรมโลเ ก, ก น, นาศาสดาจารย์เจ้าเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วนานช้า บุพาจารย์เป็นต้นย่อมรู้ได้โดยบาลีที่เล่าเรียนและสั่งสอนสืบต่อมามีอุปมาฉันนั้นสาธุสัตบุรุษพึงทราบโดยอุปมาอุปมยฉนี้ตถาการครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทระมหากษัตรมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา อันว่าธรรมะนคอนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นที่ประกอบด้วยกำลังปรีชาเชี่ยวชาญเช่นพระผู้เป็นเจ้าก็อาจสามารถจะสร้างคุ้มกันเขาได้ด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะให้โยมเชื่อว่าสมเด็จพระมหากรุณามีปรากฏในโลกนี้เป็นมั่นคงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปอีกก่อน เรื่องเปรียบมหาสมุทรกับโลกสมุทรพระนาคเกษเถวายพระพรว่ามหาราชะลูกระบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งธรรมดาว่ามหาสมุทรอันใหญ่อนุปุพพคัมพีโรลึกล้ำคัมพีรภาพพลพิสัยเป็นลำดับไปอปริมิตะพาลุกะชะละทะโรส่งไว้ซึ่งสายและชนชาตจะนับไม่ได้ ติมิติมินคละมากุโลอากูลมูลมั่วไปด้วยปลาตัวใหญ่ชื่อติมิติมินคละมัชาเป็นที่ไปมาอาศัยอยู่แห่งหมูหน้าครุดและผีเสื้อน้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายย่อมพากันเที่ยวแวกว่ายสแสวงหาอาหารท่องแถวโจรฐานั้นก็กำเริบด้วยหมูอสูนคึก ข, ขนองอันหนึ่งเสียงเมฆกึกก้องสะเทือนท้องน้ำกำปนาด ฟังดังเหมือนเสียงผินพาดของกลองดุริยางดนตรีเพลีสวรรค์สมุทราวารีนั้นก็เกาะเกิดเป็นเขาอันงามหลากนับได้มากกว่าหมื่นแสนมีหมู่อมรแมนเฝ้าแหนสิงสถิต ท, ทุกยอดเขาเทพเจ้าย่อมเสวยที่พยสมบัติโสมนัส บ, บันเทิงใจโดยอาศัยสมัครสมสรแต่ก่อนมาอันหนึ่งประกอบด้วยมหานาวาสรุป กำปั่นสำเผาอันเหล่านิกอรวานิษฐล่นไปมากระทำการค้าขายอันหนึง่งประกอบด้วยสิ่งทั้งหลายคือฟองและระลอกคลื่นพัดฟื้นอยู่ทุกข่ำเชา้ามีคุ้งและปากอ่าวอนเนกนานามีบอ่อน้ำจืดอยู่ใกล้เป็นที่อาศัยแห่งหมูสัตว์และนิกรชนประกอบด้วยวังวนและบาดานย่อมเป็นอัศจรรย์แปลกประหลาดอห น, นึง่ง วิจิตโอภาสด้วยแก้วเกิดอเนกามีหมู่ปลาและเต่าอาศัยอยู่เป็นอันมากและดาดาดด้วยเกาะและท่าอันราบรื่นสุดที่จะคันน า, นาเอวรุปามัตฉาอันว่าปลาทั้งหลายเห็นปานดังนี้คือปลาเขา้าปลาตะเพียนปลาสลาดปลาฉลามช้างน้ําม้าน้ําและเงือกเป็นต้นและปลาเหล่าอื่นเป็นอันมากกว่ามาก ปฏติวสันติย่อมอาศัยอยู่ที่สมุดนั้นเอโกมหามโชครั้งนั้นยังมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งจะใครลองดูกำลังของตนจึงโดดขึ้นไปกระทาให้มหาสมุรกำเริบเป็นมลาลอกใหญ่ซัตดไปที่ริมฝั่งสมุดทะตีระมนุคตาชนาอันว่ามนุษย์นิกรซึ่งสัญจรไปที่ริมฝั่งสมุดนั้น เห็นคลื่นใหญ่ก็เข้าใจว่าปลาใหญ่มีอยู่มั่นคงคำที่ว่ามานี้ยะถามีครุวนาชันใดอายังปิโลกะสมุดโธอันว่าโลกสมุดนี้มีอุปมาเหมือนมหาสมุทรนั้นอันว่าโลกสมุดนี้อนุปภาคัมพีโรลึกเป็นอันดับกันทรงไว้ซึ่งน้ำคือราคะโทสะโมหะจนนับไม่ได้ ภาละปุถุชนะสมากุโลอากูลด้วยภาละปุถุชนมีแพ้คือกิเลสสกน ล, ลอยอยู่แวดวงด้วยข่ายคือมิจฉาทิฐิมีกระแสสายคือตัณหาไหลไปมีธงชัยคือมานะหากยกขึ้นไว้ร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นอันมากประกอบด้วยมือคือปราศจากปัญญาลุทธะสาหาสิโก มีความสาหัสไปด้วยโลภะเจตนาเป็นที่สุดโลกสมุดนั้นผู้มีสติปัญญากลัวที่สุดที่จะเปรียบประดุดคนมีตาข้างเดียวจะเที่ยวไปก็ดีจะนั่งอยู่ก็ดีมีแต่ว่าจะรักษาจาักสุ ข, ของตนเป็นที่สุดอันเมื่อโลกสมุดนี้เป็นที่อยู่แห่งคนตามืดคือผู้ที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลาย และเป็นที่อาศัยอยู่ของมนุษย์หญิงชายที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลคนที่มียศหายศมิได้มีบุญหาบุญมิได้คนที่มีเดชหาเดชมิได้คนที่มีคุณวิเศษและหาคุณวิเศษมิได้จำเริญและหาความจำเริญมิได้คนที่มีปัญญาและหาปัญญามิได้คนที่รู้และมิได้รู้และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกสมุทรนี้ไย จะมีแต่เท่านั้นหาไม่ได้กษัตริย์และพราหมณ์พ่อค้าและชาวนาพ่อครัวและอาชีวกคนนุ่งขาวและปริพพาชกและพระพุทธสาวกและคนขอทานและคนถือทิฐินอนกับพื้นแผ่นปัทพีผ้าและคนถือนอนข้างเดียวและคนไม่อาบน้ําและคนถือหมักเหงือหมักใครและชีเปลือยเปล่ากาย และพระดาบททั้งหลายเป็นอันมากย่อมอยู่ในโลกสมุทรนี้เกลื่อนกลาดประการหนึ่งอันว่าสัตว์จตุบาทมีอนเอกนกนานาคืออูดลาแพะแกะและสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเหล่าอื่นมากมายเหลือที่จะกล่าวและสัตว์สองเท้าเป็นต้นว่านกจากกระพรากนกแก้วนกสาริกานกกระววานกเพียราบเหลือที่จะพัร น, น า, นา สัตว์มีเท้ามากและหาเท้าไม่ได้ย่อมสถิตอาศัยอยู่ในโลกสมุทรน้สินปางเมื่อสมเด็จพระพุทธสัพพัญญูผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามเลิศพระองค์บังเกิดในโลกนี้อย่างพื้นพิภพปัทถภีทั่วมืนโลกธาท่าให้หวาดไหวได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสำเร็จพระพุทธสัพพัญยุตยานแล้วยังมนุษโลกกับเทวโลกให้กำเริบด้วยพระสัทธรรม แล้วก็ปักแผวไว้ซึ่งทงชัยคือธรรมอันเลิศมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้ายังโลกให้กำเริบด้วยระลอกคลื่นกล่าวคือตรัสธรรมเทศนาสั่งสอนสัตว์ตักเตือนสัตว์เพลืองสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกขติภพและภัยอันตรายประทานน้าอมฤตให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วประเทศ ประทานยาดับพิษดับโรคคือกิเลสให้แกสัตว์ในประเทศทั้งหลายและก็บ่ายหน้าเข้าสู่เขมาภูมิอันกเกษมสารคือนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขวิสัยอะมะลังกโรติกระทำให้หามน n ินไม่ได้วิมะลังกโรติกระทำให้ปราศจากมนทินนิมะลังกโรติกระทำให้หมดมนทินสิ้นมนทินขาวบริสุทธิ์พองใส ยังสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในพระปฏิสัมพิธายังสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระวิโมกยังสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระอรหัต ภ, ภูมิอันสมราญตรัสประธานพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระจตุราริยสัยจธรรมยังเทวโลกกับมนุสโลกให้กำเริบด้วยระลอกคลื่นคือพระจตุราริยสัยจธรรมสี่ประการมหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภาร หมู่มนุษย์และเทวดาได้สนาการฟังซึ่งกำลังระลอกคลื่นคือพระจัตุราริยสัจธรรมนี้บางพวกก็ตั้งอยู่ในโซดาบางพวกก็ตั้งอยู่ในสกิทาคาบางพวกก็ตั้งอยู่ในอนาคาบางพวกก็ตั้งอยู่ในอารหัตบางพวกสมาทานศีลบางพวกสมาทานพระไตรสาระคมตั้งอยู่ในภูมิเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรยัยครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จพระพุทธลีลาดขึ้นไปตรัสพระสัทธรรมเทศนาณเมืองดาววดึงสวรรค์ น, นั้นสเสด็จทรงนั่งเหนือบรรดุกรรมลศิลาอาตแล้วตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระทุก ข, ขสัตทิวดาแปสิบโกดโสมนัตปราโมทชื่นชมยินดีในกระแสธรรมก็ได้ทำมาจากสุปลุคุณวิเศษ คือมีจักขุปัญญาปรากฏเห็นไปด้วยบทว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งอันใดอันหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งอันนั้นทั้งหมดก็มีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ที่พระเจ้าทั้งหลายเห็นกระแสะคลื่นกล่าวคือพิจารณาเห็นซึ่งทุกขสัต์ก็โปรงปัญญาเห็นซึ่งนิโรธธรรม สำเร็จ ร, รมอันวิเศษอนหนึ่งสมเด็จพระโลกเชษฐ์สเสด็จประทับณปาสานะเจดีตรัสพระสัทธรรมเทศนาสมุทัยสัตว์มูชนทั้งหลายได้สดับแล้วก็ปราโมทยินดีในพระสัทธรรมเทศนาได้บรรลุมรคผลมากมายนับจำนวนได้สิบสี่โกรธอนหนึ่งโศตรั้งเมื่อสเสด็จลงจากดาวดึงสพิภ พ, พ สมเด็จพระนาราศพก็ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งนิโรธสัต์นิกกรชนทั้งหลายได้สดับแล้วหมดความสอดแคลวในพระพุทธคุณบรรลุมรรผลมากร้นเหลือหลายประมาณได้ส0สโกรธพระสัทธรรมเทศนาที่พระมหาวุทีโปรดประทานนั้นปานประหนึ่งว่าคลื่นละลอกอันสัตว์กระชอกกำเริบวันไหวอยู่ในโลกสมุดอันสุดกว้างกระทาให้พระสาวกทั้งหลาย ตัดเสียได้ซึ่งเครื่องจำจองอันมองมูลอยู่ในสันดานพลานเสียซึ่งราคาโทสะโมหะให้หมดสิน้นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสบาปธรรมบรรลุถึงพระอรหัตตผลเป็นพระอรยะบุคคลอันโอฬานกระทำพระนิพพานให้แจ้งชัดเป็นปรมัถธรรมด้วยสามารถแห่งคลื่นใหญ่อันไพศาลกล่าวคือพระสัทธรรมเทศนา ปรากฏมาจนทุกวันนี้มหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารอาตมาได้ทัศนาการทราบชัดดังนี้จึงอนุมาณด้วยปัญญาเชื่อว่าโสภควาอาัติสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงบุญญาราศีนั้นมีอยู่เป็นมั่นคงขอถวายพระพรในที่นี้ พระคันธรจนาจาร์ประพันธ์คาถาแสดงความข้างต้นไว้มีใจความว่ามหาชนทั้งหลายได้เห็นคลื่นใหญ่กำเริบปรากฏอยู่ในมหาสมุทรก็อนุมานกำหนดได้ว่าในมหาสมุทรนี้มีปลาใหญ่เป็นแม่นมันยถามีคารุวนาชันใดบัณฑิตผู้มีปัญญาได้เห็นคลื่นคือพระสัทธรรมอันโอฬาน ของพระบรมโลกุตมาจารย์ผู้ประหารเสียซึ่งความโศกมิได้รู้แพ้ผู้ใดทั่วไปในโลกธาตุองค์อาจล่วงเสียซึ่งตัณหาปลดเปลื้องเหล่าประชาให้พ้นจากภพก็ทราบชัดในใจได้ว่าอักโคพุทโธภวิสติสมเด็จพระมุนีพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัพพสัตทั้งหลายมีอยู่เป็นมั่นคงดังนี้ตถาเอวะ มีอุปมายฉันนั้นขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้ปรีชาโยมได้ฟังคำเล่ากันมาแต่ก่อนว่าพระฤาษีภายนอกพระพุทธศาสนานั้นย่อมยังมนุษย์ทั้งปวงให้กมปนาดวาดไหวได้โยมกลัวแต่ว่า สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นก็จะเป็นมรสีนั่นเองเหตุฉะนั้นจึงยากที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าจงกระทําอุปมาให้ยิ่งกว่านี้ก่อน